พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่7ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรลุนิพพานสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าิบห้าเสียงอ่านโดยอริยะคุณจุมรมพดีสำหรับบทนี้เนื้อหาเด่นคือเรื่องอริยบุคคลประเภทและระดับต่างๆอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ก็จาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงไม่เช่นนั้นอาจเดินลงทางพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเนื้อหาส่วนแรกจะเป็นการอธิบายประเภทและระดับของนิพพานเพื่อยงไปถึงประเภทและระดับของผู้บรรลุ น, ลนิพพานอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในบทที่6ที่ผ่านมาจะเป็นการศึกษาให้เข้าใจเรื่องนิพพานในแง่ของภาวะและคุณลนะักษณะที่เป็นภาพรวมเบื้องตน้น เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบท้วนควรฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมและฟังตามลำดับบทไปจะดีที่สุดนะครับตัวอย่างเนื้อหาภายในประกอบด้วย 1. ประเภทและระดับของนิพพานขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพาน 2. ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานทักินยบุคคลหรืออริยบุคคลประเสขะหรือสาอุปาทิเสซบุคค พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอเซขะหรืออนุปาทิเศษะบุคคลและประเภทของพระอาหารหันต์บันทึกพิเศษท้ายบทเรื่องสอุปาทิเศตและอนุปาทิเศตความหมายของทิฏฐธ ร, รมิกะและสัมปรายิกะเรื่องเจริมจิตเรื่องศิลปะปรามาตความหมายของฌานจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตศิตาภาทวีพิริย ยานเดชเรืองจันทร์เจ้าภาพรอง ucci, จอนกลิ่นตั้นบุชีชนิกาลอศวัต ก, กวินทิพกรอบครัวอ่อนสีกรอบครัวตั้งสกุลไพสารกรอบครัวอิมวงสีเจ้าภาพร่วมพนอมรักเพชรสเถียรชนนช่างพินิจยานินเวียงเกตบุญจันทร์โภคาพาณิตรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากไทยเรื่องนะครับสภัทนางธรรมทาธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง